คำที่ว่าศีลภภาวนาจะปฏิปัติยาอาทิดังนี้ทั้งหมดเช่นคำที่กล่าวมาแล้วก่อนก็หมู่มรึกเหล่าอื่นย่อมอดทนการบลือของสีหะไม่ได้ที่ไหนจะอดทนการคุกคามได้เล่าการบลือของสีหะนั่นแหละจะข่มคู่คุกคามหมู่มรึกเหล่านั้นได้โดยแท้ฉันใดวาทาของอัญญาเดรทีทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจะทนวาทะของพระเถระทั้งหลายไม่ได้ ที่ไหนจะทนครอบงมคือคำของเดรถีเนี่ยไปครอบงมพระเถระไม่ได้หรอกที่แท้วาทของพระเถระนั่นแหละครอบงมวาทาของเดรถีเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเพราะข้อนั้นเพราะเหนรไรเพราะเทรวาทคือคาพูดของพระเถระพระอรหันตเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นไปตามพระไตรลักษณ์เป็นไปตามความเป็นจริงของขันที่ไม่เที่ยงขันที่เป็นทุกข์ขันที่เป็น อนัตตานะี่ยท่านว่าไปตามเป็นจริงอะ่ะและท่านว่าไปตามหลักธรรมที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วก็สัพเพธรรมมาอนัตตาแบบนั้นเนี่ยธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วท่านสา ม, มารถแสดงนิพพานธาตุบ้างเพราะโดยธรรมดาแล้วใครๆไม่สา ม, มารถจะคัดค้านให้เป็นอย่างอื่นไปได้อานะใครจะเอาสังขารให้เที่ยงอะ่ะทําได้ไหมไม่ได้พูดขัดไม่ได้ เอาสังขารให้เป็นสุกได้ไหมก็ทำไม่ได้เอาธรรมะทุกชนิดให้เป็นอัตตาเนี่ยคือแบบอัตตาแบบเบี้ยรีคิดขึ้นอะ่ะก็ทำไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนื้อความโดยสังเขปก่อนในคาถาแรกเนี่ยนะส่วนในคาถาที่สองในคาถาที่สองของเถรคาถาที่พระธรรมสังฆากาจารย์ท่านกล่าวว่า ก็พระเทระเหล่านั้นเนี่ยมีชื่อมีโคดมีธรรมะเครื่องอยู่มีจิตน้อมไปด้วยศรัทธาวิมุตต์หรือปัญญาวิมุตต์มีปัญญาเป็นผู้ไม่เกียดคร้านอยู่ในเสนาสนะอันสงัดมีป่าโคนไม้และภูเขาเป็นต้นนั้นนั้นะ่ะได้เห็นธรรมะแจ่มแจ้งได้บรรลุนิพพานอันเป็นธรรมะไม่แปรผันเมื่อพิจารณาเห็นผลอันเป็นที่สุดกิจซึ่งตนทำสําเร็จแล้วจึงได้ภาสิทธเนื้อความนี้ซึ่งท่าน อ, อธิบายว่า ในคาถาที่สองเพื่อทราบขยายความโดยมุก ค, คือการแสดงการสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ผู้ประสงค์จะสวดคาถาของพระเถระเหล่าใดบรรดาพระเถระเหล่านั้นเพื่อระบุพระเถระเหล่านั้นโดยชื่อโดยโคตและโดยคุณธรรมด้วยสา ม, มารถแห่งสาธารณานามจึงได้กล่าวว่ายะฐานามาถ้าอาสาธารณานามก็ชื่อว่าชื่อของพระเถระเหล่านั้นเช่นพระสุภูติพระมหาโคติตะเป็นต้น หรือโดยโคตเช่นบางท่านก็เกิดโคตมะโคตบางท่านก็เกิดกัสปะโคตพระอนุนเนีย่ยโคตมะโคตนะโคดเดียวกันกับพระพุทธเจ้านะนะหรือว่ายะถาธรรมวิหารโรเนี่ยวิหาริโนมีปกติอยู่ด้วยธรรมเช่นใดอธิบายว่าไม่ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ยิ่งด้วยปริยัติคือไม่ใช่ว่าท่านแตกฉานเฉพาะปริยัตินะพระเหล่านั้นะ แต่มีปกติอยู่ด้วยสมาบัติตามสมควร น, นนะคืออยู่ด้วยสมาบัตนะโดยเฉพา ะ, ะพระสมาบัติเป็นต้น น, น, นะคือปริยัตทั้งหลายเนี่ยนะจุดประสงค์ของปริยัตทุกสู่ทุกสู่เนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อให้เข้าพระสมาบัติได้เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้มามาอยู่แค่ที่ปริยัตท่านเข้าพระสมาบัติตามคาสอนนั้นๆเลย อีกอย่างหนึ่งบทว่ายะถาธรรมวิหาริโนโความว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ตามธรรมและในบรรดาทิพวิหารเป็นต้ น, น, นคือท่านอยู่ด้วยทิพวิหารคืออะไรคือท่านเข้าฌานได้ทุกฌานเรียกว่าทิพวิหารฌนะานสมาบัติเรียกว่าทิพวิหารนะพรหมวิหารเป็นพรหมวิหารเนี่ยนะพรหมวิหารก็ตรงตัวและอริยวิหารก็คือพระสมาบัติ ท่านต้องอยู่ด้วยวิหารสาม อ, อย่างเนี่ยอย่างไรอย่างหนึ่งคือฌานสมาบัติพรหมวิหารและอริยวิหารคือผลสมาบัติตเจนพรรวมทั้งนิโรธสมาบัติด้วย<ม>บทว่ายถาทิมุตตาคือว่าเมียทิมุตเช่นใดคือบรรดาสัตธาวิมุติและปัญญาวิมุต อ, อีกอย่างหนึ่งชื่อว่ายถาทิมุตคือเพราะน้อมไปสู่นิพพานด้วยประการใดๆโดยมุกทั้งหลายมีสุญยะตะมุกเป็นต้น สมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอาสะวะของผู้มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานย่อมถึงความดับสูญเ น, นี่ยนกะก็มีอัทยาศัยหรือคือบางบางข้อปฏิบัติที่จะให้เป็นผ้ารหัสอย่างท่านพระปิงขยานีเนี่ยพระปิงขยานีหรือพระวักกะลิเนี่ยท่านมุ่งบรรลุอริยสัจด้วยศรัทธาเรียกว่ามีศรัทธานำหน้า ถ้าอย่างพระโมคคราชพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยท่านมีปัญญาเป็นธุระคือการปฏิบัติเนี่ยบางท่านมีศรัทธาเป็นธุระที่จะบรรลุบางท่านมีปัญญาเป็นธุระที่จะบรรลุทีนี้นการน้อมไปเพื่อบรรลุเนี่ยก็บางท่านก็น้อมไปด้วยอนิจจานุปัสสนาใช่ไหมอริยมรรคก็เป็นอนิมิตตมรรคถ้าน้อมพิจารณาสังขารโดยทุกขานุปัสสนามากอริยมรรคก็เป็น อปะนิหิตมักถ้าน้อมพิจารณาสังขารทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะมักก็เป็นสุญญะมักเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคําทั้งสองนี้ด้วยสามารถแห่งธรรมะที่เป็นบุพบา ค, คือเบื้องต้นนะข้อปฏิบัติที่จะให้เป็นพระอริยะเพราะว่าการน้อมไปตามที่กล่าวแล้วจะมีได้ในขณะก่อนที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เท่านั้นต่อไปก็ไม่มีนะไอการน้อมไปทั้งหลายแหล่นี่มีในเบื้องแรกไม่ใช่ไปมีตอนท้ายแล้ว ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำเมียทิว่านารณนระใดไม่มีศรัทธาเป็นคนอักตันยูและตัดที่ต่อเป็นต้นดังนี้อันนี้ก็คื อ, ค อ, คอพวกบาปพ้นแล้วโดยประการใดๆอันนี้กล่าวย้อนค้างว่าพาระทหารเหล่านั้นเนี่ยนะว่ายะถาวิมุตต์เนี่ยคือหลุดพ้นแล้วโดยประการใดๆพระทหารบางท่านเป็นปัญญาวิมุตต์บางท่านเป็นอุปโตภาควิมุตต์ปัญญาวิมุตต์คืออะไรคือพระทหารที่พิจารณาสังขาร โดยที่ไม่ได้อบรมสมถะเป็นหลักเนี่ยนะแต่ก็พิจารณาจนได้บรรลุก็เทียบเท่าปฐมฌานเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสุขาวิปสัสสกก็เป็นปัญญาวิมุตต์หรือได้ปฐมฌานแล้วบรรลุพวกนี้ก็ได้ทุติยฌ า, านได้ตัติยฌ า, านได้ฌานที่สี่แล้วบรรลุพวกนี้เรียกว่าปัญญาวิมุตต์หมดเลยส่วนพวกอุปโตภาควิมุตต์หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติจนได้อารูปฌานออกจากอารูปฌานแล้วบรรลุเรียกว่า อุพโตภาคาวิมุตต์คือได้อรูปประชานจึงเรียกอุปโตภาคาวิมุตต์ถ้ายังอยู่ในช่วงแค่รูปประชานอย่างเดียวเป็นปัญญาวิมุตต์เนี่ยนะผ้ารหันเหล่านั้นก็มีทั้งที่เป็นปัญญาวิมุตต์มีทั้งที่เป็นอุปโตภาคาวิมุตต์เนี่ยนะอย่างพระจูรบรรทกเนี่ยท่านเน้นปัญญาวิมุตต์คือได้ฌานสี่แล้วบรรลุอย่างพี่ชายของท่านนะถ้ามหาบรรทกเนี่ยได้อรูปประชานแล้วบรรลุแล้วบทว่าสับปัญญานะว่าพระเทระเหล่านั้นมีปัญญา แม้ด้วยปัญญาทั้งสามอย่างคือผู้ที่จะบรรลุนะบรรลุเป็นผ้าอรหันหนึ่งติเหตุกะปฏิสนธิปัญญาอันนี้ต้องได้ละอันนี้ต้องมีถ้าไม่ติเหตุเนี่ยบรรลุไม่ได้ น, นะนะเพราะฉะนั้นใครที่ปรารถนาบรรลุก็ต้องจำปรารถนาทำบุญด้วยปัญญาเพื่อให้ปัญญานำเกิดเนี่ยนะจะได้เป็นฐานที่จะบรรลุก่อนต่อไปก็ปาริหาริกะปัญญาก็คือมีปัญญาสาหรับบริหารตนก็คือสาสกะสัมปชัญญะเป็นต้นนั่นเอง มีปัญญาที่จะบริหารว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรสัปปายะอะไรไม่สัปปายะเนี่ยนะอะไรจะอบรมได้ยังไงพวกนี้ก็ต้องบริหารด้กระปัญญามีปัญญาที่จะบริหารศีลบริหารสมถะบริหารวิปัสนาเนี่ยนะแล้วก็ภาวนาปัญญาอ่าก็ภาวนาปัญญาก็คือพวกวิปัสนาปัญญานั่นเองท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีปัญญาทั้งสามอย่างเนี่ย บทว่าวิหาริงสุความว่าอยู่แล้วด้วยพาสุวิหารตามที่ได้กล่าวแล้วนั่นและเพราะความเป็นผู้มีปัญญานั่นเองเนื่องจากท่านมีปัญญาท่านจึงเข้าทิพวิหารเข้าพรหมวิหารเข้าอริยวิหารได้บทว่าอัตันทิตาแปล ว, ว่าผู้ไม่เกียจคร้านพระอรหันตเหล่านั้นเนี่ยไม่เกียจคร้านมีความว่ามีความขยันในข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ตน และในข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ผู้อื่นตามกำลังประโยชน์ตนนี่ต้องถือเอาเป็นหลักนะประโยชน์ของผู้อื่นก็เอาตามกำลังใช่กำลังอะไรกำลังความรู้กาลังความสามารถเป็นต้ น, นน ะ, สะแสดงสีลสัมปทาและสมาธิสัมปทาด้วยส์ว่าวิหารสแสดงปัญญาสัมปทาด้วยบทว่ายะถาวิทิมุตกับมีปัญญาสแสดงวิริยะสัมปทาอันเป็นเหตุแห่งศีลสัมปทาเป็นต้น สรุปว่าพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้สมบ <Eine. S 2> <Food>. ูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาที่ท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะท่านมีความสมบูรณ์ด้วยความเพียรเนี่ยนะผู้ไม่มีความเพียรรักษาศีลไม่ได้หรอกผู้นะเช่นศีลเนี่ยมันมีทั้งจารีตกับวาเรตใช่ไหมมันถ้าไม่มีความเพียรเนี่อรักษาศีลไม่ได้อบรมศีลไม่ได้ถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยนะคำว่าเพียรแปลว่ากล้านะถ้าไม่กล้าเนี่ยอบรมสมถะไม่ได้ ถ้าไม่กล้านะละกามวิตกไม่ได้หรอกนะ่นั้นถ้าไม่กลา้าอุบรมปัญญาไม่ได้หรอกนั้นะันวิริยะก็คือความกล้านะกลา้าละบากลา้าเจริญบุญนั่นเองบทว่าอัตันที่ตาเนี่ยแสดงความที่พร ะ, พระเถระ เ, ะเหล่านั้นประกาศชื่อด้วยบทว่ายะฐานามาแสดงถึงการประชุมแห่งสมบัติก็คือเหล่ากพระอริยบุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีและธรรมานุสารีด้วย ยถาโคตานั น, นะคือสัทธานุสารีก็คือพวกาตามระลึกด้วยศรัทธากับพวกตามระลึกด้วยปัญญานะธรรมะตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญาแสดงการประกอบด้วยสมบัติคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัสนะด้วยศัพท์ว่ายถาธรรมวิหาโรก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้นะ ทุกองค์เลยนะในเถระคาถาเนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์หมดเลยแสดงถึงการบำเพ็ญต่อประโยชน์ผู้อื่นของผู้ที่ดำรงตนอยู่ในหิตะสมบัติแล้วด้วยคําว่าอาตันทิตาเมื่อท่านเหล่านั้นบรรลุเป็นพระ้าหันนะท่านไม่เกียรตคร้านเลยภาษาริบุตรเกียรตคร้านไหมไม่กลับช่วยเหลือกิจการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากเนะี่ยช่วยสงเคราะห์บุคคลอื่นใช่ไหมภาษาริบตรเหมือนกับแม่พระมหาโมคคลานะเหมือนกับ พี่เลี้ยงเนี่ยนะเหมือนกับพี่เลี้ยงคอยดูแลทั้งหมดเลยนะอย่างพระอนุนก็ไม่เกียดคร้านเนี่ยนะในการบำเพ็ญประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะพระมหาคสปะก็ไม่เกียดคร้านแล้วก็คำว่ายะถาโคตาเนี่ยนะแสดงถึงจักสองข้างท้ายอของพระอริยบุคคลตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมเนื้อหาให้เห็นความสัมพันธ์กันของของผู้ที่มีความเข้าใจในพยัญชนะ คือเห็นสับปั๊บเนี่ยสาวไปหาหมุนโดยรอบตามหลักเนติปกรณ์เลยนะตามหลักวิจัยหาระเป็นต้นนะนะท่านเอาหาระสิบหกเอานัยยะทั้งหลายมาหมุนโดยรอบให้ให้เราดูนั่นเองอนะนะมันถ้าผู้ที่ศึกษาในรูปแบบของภาษาบาลีเนี่ยจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะนะจะเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยเพราะว่ายกศัพ์บาลีมาแล้วก็บอกว่าศัพ์นี้มีความหมายไปถึงนี้สัพท์นี้มีความหมายไปถึงนี่เนี่ยนะ ก, ก็เชื่อมกันโดยศัพท์ โดยพยัญชนะทั้งโดยอัฐาด้วยอย่างคาว่ายถาธรรมวิหาโรเนี่ยนะบอกว่าท่านมีจักรสองข้างต้นเพราะเมื่ออยู่ในปฏิรูปประเทศก็ดีเว้นจากการคบหาสัตว์บุรุษก็ดีอีกอย่างหนึ่งคำว่ายะถาโคตานี้แสดงถึงจักรสองข้างท้ายบอกว่าสองข้างท้ายคืออะไรคือการตั้งตนไว้ชอบกับทำบุญไวในปางก่อนใช่ ผู้ที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีอัตตะสัมมาปณิทิคือตั้งตนไว้ชอบถ้าไม่ได้ทําบุญไว้ในปางก่อนเนี่ยบรรลุไม่ได้หรอกนะมีไม่ได้หรอกนะนะที่จะเป็นทระระยะบุคคลเน่ยนะเพราะที่เป็นพระระยะบุคคลเนื่องจากตั้งตนไว้ชอบกับกระทําบุญไว้ในปางก่อนแล้วก็แสดงถึงสมบัติคือจากสองข้างข้างต้นนะนะีว่ายะถาธรรมวิหาริโนเนี่ยคืออยู่ด้วยธรรมวิหารอย่างไดเนี่ย เพราะเมื่ออยู่ในประเทศที่ไม่สมควรก็ดีเว้นจากการโคหาสัตว์บุรุษก็ดีคุณวิเศษเหล่านั้นมีไม่ได้นะนะสมมุทาผู้ที่จะอยู่ด้วยทิพภวิหารพรหมวิหารอริยวิหารเนี่ยนะหนึ่งถ้าอยู่ไม่อยู่ในปฏิรูประเทศได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่คบหาสัตว์บุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นคุณธรรมเหล่านั้นก็ก็ไม่ได้อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า ผู้ที่อยู่ด้วยทีพย่พิหารพรมวิหา ร, ร, มมหารอริยวิหารเนื่องจากได้ปฏิรูปประเทศกับคบสัตบุรุษแสดงถึงการประกอบด้วยสมบัติคือการฟังธรรมด้วยคําว่ายะถาทิมุตคือมีจิตน้อมไปอ่ะผู้ที่น้อมไปเนี่ยน้อมไปเพราะว่าเพราะเขาเนี่ยมีศรัทธาในการฟังธรรมเพราะว่าเว้นจากการประกาศของผู้อื่นคือการฟังธรรมเสียแล้วการแทงตลอดซึ่งสัจธรรมของสาวกทั้งหลายจะมีไม่ได้อันในตรงนี้บอกไว้ตรงเลย ถ้าเพราะอะไรเพราะว่าสาวกเนี่ยทาไม่ได้ฟังทำบรรลุไม่ได้แสดงถึงเหตุแห่งการประพฤติโดยความขมีขมันเพื่อบรรลุคุณวิเศษเหล่านั้นด้วยว่ามีปัญญาและไม่เกียจคร้านเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านใช้คําว่าขมีขมันนะแสดงว่าภาพเพียนพยายามเอ า, เอาจริงเอาจังมากอะนะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแน่นอนอีกในหนึ่งในคําว่ายถาโคตานี้ท่านแสดงถึงความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัิการของพระเถระเหล่านั้น ด้วยการระบุถึงโคดเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยโคดคือโคดคื อ, อไรสัตธานุสาลีธรรมานุสารีเนี่ยนะเพราะจะเกิดได้เพราะโยนิสโสมนัสิการแปลว่าบรรลุเพราะโยนิสโสมนัสิการอย่ง น, นั้นแหะถ้าท่านไม่มีโยนิสโสมนสิการนะั้บรรลุไม่ได้หรอกด้วยคําว่าธรรมวิหาระคือธรรมวิหารเนี่ยนะท่านแสดงถึงการถึงพร้อมด้วยการฟังพระสัจธรรมเพราะเว้นจากการฟังพระสัจธรรมเสียแล้วจะไม่มีธรรมะ เครื่องอยู่นั้นได้เลยเอาถ้าไม่ได้ฟังเรื่องพรหมวิหารนะจะไปเจริญพรหมวิหารได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังเรื่องทิ่พวิหารเรื่องการเจริญฌานเนี่ยก็มีฌานเป็นเครื่องอยู่ได้ยังไงถ้าไม่ได้ฟังอริยสัจจะบรรลุอริยวิหารเข้าพระสมมาบัติเป็นต้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยสําคัญนะนะธรรมาวิหารเนี่ยนะหมายถึงการฟังธรรมแสดงถึงการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําด้วยคําว่ายะถาธิมุตอนะว่า ผู้ที่จะได้เข้าถึงหรือบรรลุได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมสมควรกับโลกุตระธรรมนะแสดงถึงความเป็นผู้มีสัมปชัญญะในที่ทั้งปวงด้วยสัปพัญญามีสัมปชัญญะสี่ในที่ทั้งปวงว่างั้นเหรเนี่ยความที่ท่านมีปัญญาแสดงถึงผู้ที่บำเพ็ญ อ, อัตติตสมบัติให้บริบูรณ์ด้วยคำนะตามในที่กล่าวแล้วดํารงอยู่จะ เป็นผู้ไม่ลำบากในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นด้วยคําว่าอัตันทิตาไม่เกียดครั้นเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นไม่เกียดครัน้นปฏิบัติจนได้บรรลุคุณพิเศษบรรลุคุณธรรมจริงๆก็คุณของพระษาวกทั้งหลายมีสารณคมเป็นเบื้องต้นมีสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาเป็นที่สุดนะคุณธรรมของภาษาวกเป็นอย่างนี้นะสารณคมเป็นเบื้องต้น มีสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นคุณของภาษาวกแม้ทั้งหมดจึงเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยคุณในเบื้องต้นท่ามกลางและปริโยสารเนี่ยนะพระก็เนื่องจากท่านเหล่านั้นมีพระตนะตรายเป็นสาระอบรมสมถะแล้วก็มีวิปัสนาปัญญาเป็นที่สุดรอบเนี่ยนะ ก็สมบัติแห่งคุณเช่นนี้อันพระเถระเหล่านั้นบนรรลุแล้วด้วยสัมมาปฏิบัติใดต่อไปก็จะกล่าวถึงวิธีสัมมาปฏิบัติของพระเถระเหล่านั้น น, นะการที่จะตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติตอนแรกก่อนคือในเสนาสะนะอันสงัดแล้วมีป่าโคนไม้ภูเขาเป็นต้นนั้นนั้นการจะปฏิบัติชอบเนี่ยนะสถานที่ก็สําคัญนะนะจะไปปฏิบัติชอบในสถานีรถไฟได้ไหมใครทําได้ก็เก่งมากนะ จเจริญกรรมฐานที่สนามบินอย่างเงี้ยเนอะใครทําได้ก็เก่งมากนะมีบุญมากเลยเพรดังนั้นก็สถานที่ที่สงัดนั่นแหละเหมาะกับการจเจริญกรรมฐานบทว่าวิปัสสิตว่าเ น, นี่ยนะคือเห็นแจ้งแล้วคําว่าเห็นแจ้งเนี่ยภาษาแปลว่าเห็นแจ้งเนี่ยเราแปลมาเป็นภาษาไทยไทยเห็นแจ้งเห็นแจ้งยังไงครับถ้าเป็นท่านอธิบายว่า ย, ยังที่ทีวิสุธทธิ และกังขาวิตรณวิสุทธิอันกำหนดนามรูปและกำหนดปัจจัยให้ถึงพร้อมบรรลุวิสุทธิที่หที่5ก็คือมัคคามัคคายานัทสนวิสุทธิอ น, นะตามลำดับแห่งการพิจารณากลุ่มกลาปะคือกลุ่มะนะกลุ่มของ ขันห้ากลุ่มที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันที่เป็นภายในเป็นภายนอกอย่าละเอียดเลวประณี็ตใกล้ไกลโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตตาเนี่ยนะอย่างวิปัสสนาให้ขยบสูงขึ้นนะให้ขยบสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยสามารถแห่งการบรรลุถึงย่อดแห่งปฏิปทาปฏิปทาญาณเนี่ยนะก็คือวุฒานคามินีนวิปัสสนาและทิศทัศนวิสุธทธิก็คืออริยมรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าเห็นแจ้งเนี่ย เห็นแจบบ้งตั้งแต่เห็นแจ้งแบบวิสุทธิหข้อที่เป็นปัญญาวิสุทธิข้อแรกเป็นศีลใช่ไหมวิสุทธิข้อที่สองเป็นสมาธิดังนั้นคําว่าเห็นแจ้งวิปัสสิตวาตรงนี้เนี่ยอมความวิสุทธิห้าข้อที่เหลือเลยเนะแต่ว่าเอาแบบสูงสุดก็คือเห็นแจ้งอริยสัจนั่นแหละแต่จริงๆปัญญานะวิสุทธิตั้งแต่วิสุทธิวิสุทธิข้อที่หนึ่งก็เห็นอริยสัจแล้วนะวิสุทธิข้อแรกเห็นทุกขสัจวิสุทธิข้อที่สองเห็น สมุทายยศศัตวิสุทธิข้อที่สคือมคามมขายานรัตตรวิสุทธิอ น, นั้นเห็นมขัตติกล่าวว่าวิสที่รูวิสุทธิแรกนี่นะฮะก็เห็นอริยสัจแล้วนี่มันคือเ ห, <ม>เห็นทุกขศัตถิเห็นทุกขศัตถิเกษรวิสุทธิเนี่ยเห็นทุกขัติอ๋อไม่วิสุทธิแรกที่เป็นปัญญาวิสุทธิที่เป็นปัญญาใช่ที่วิสุทธิเ่านั้นเถอะที่ทีวิสุทธิเนี่ยนะที่ทีวิสุทธิาน เพราะว่าศีลวิสุทธิกับจิตตะวิสุทธิอันนั้นถือว่าเป็นบาศเนี่ยนะคำว่าเห็นแจ้งหมายถึงควมคัดทั้งแต่ขั้นปัญญาขึ้นไปอนับปัญญาเป็นหนึ่งะ<ม>คืออันนี้นับตามอัตถกถานะอย่างที่ทีวิสุทธิและกังขาวิตรณวิสุทธิอันกําหนดนามรูปและกําหนดปัจจัยให้ถึงพร้อมบรรลุวิสุทธิที่ห้านะก็มันก็หนึ่งตรงนี้ถ้าตามนี้ก็นับสามสี่ห้าไปเลยอย่างนั้นเลแต่ถ้านับปัญญาเริ่มหนึ่งก็คือที่ทิวิสุทธิเป็นหนึ่งของปัญญา บทว่าอัจอจุตังประทังได้แก่พระนิพานอธิบายว่าพระนิพานนั้นท่านเรียกว่าอัจจุตะเพราะเป็นที่ที่ไม่มีจุตินิพานไม่มีจุติเหมืะนั้นโดยที่พระนิพานนั้นไม่ต้องจุติเองเป็นธรรมดาและโดยที่ผู้บรรลุพระนิพานแล้วไม่มีเหตุอันต้องทําให้จุติตัวนิพานเองเป็นสภาพที่ไม่จุติใช่ไหมผู้ที่แทงตลอดพระนิพานก็ไม่ต้องจุติอีก เพราะอะเพราะผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานไม่เกิดเมื่อไม่เกิดเอาอะไรมาจุติอะไรกันนีนนนะ่หรือที่เรียกว่าบทนะ น, นะบทนี้เพราะความที่พระนิพพานนั้นไม่เจือด้วยสังขะธรรมทั้งหลายและเพราะเป็นแดนอันผู้มุ่งพระนิพพานนั้นพึงลาเนินไปอันนี้คำว่านิพพานเนี่ยเป็นบทนะ น, นะไม่มีไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมอรมอื่นๆประกอบในนิพพานแม้แต่นิดเดียว บทว่ากระตันตังได้แก่ที่สุดแห่งกิจที่ตนทําเสร็จแล้วอธิบายว่าอริยมรรคที่พระโยคาวจรเหล่านั้นบรรลุแล้วชื่อว่าพระโยคาวจรกระทําแล้วเพราะมรรคอันปัจจัยของตนให้เกิดแล้วเนี่ยมรรคเนี่ยจะต้องอาศัยปัจจัยของตัวเองใช่ไหมทําให้เกิดปัจจัยของมรรคคืออะไรบ้างนะตัวองค์มรรคก็ประกอบไปด้วยอินทรีย์พระโพชฌงใช่ไหมทีนี้อินทรีย์พระโพชฌงทั้งหลายที่จะมาประชุมรวมกันเกิดจากเหตุใดอะ่ะอันนั่นแหละเรียกว่า ปัจใจของมรรละส่วนผลอันเป็นที่สุดแห่งอริยมรรท่านเรียกว่าอากคตันตะคือที่สุดกิจอันตนกระทำแล้วคือกิจนี่หมายถึงขณะอริยมรระนะส่วนกิจที่ทำเสร็จแล้วเรียกอริยผลอีกอย่างหนึ่งสังคตะธรรมทั้งหลายชื่อว่ากระทำแล้วเพราะอันปัจใจทั้งหลายกระทำแล้วคือให้สำเร็จสังคตะธรรมทุกชนิดนะอุปาทานขันห้า 5, เนี่ยปัจใจเนี่ยกระทาให้มีขึ้น ที่สุดแห่งสังคตะธรรมอันปัจัยกระทําแล้วชื่อว่านิพานที่สุดแห่งสังคตะธรรมนะคือสังคตะธรรมนี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งยถ้าที่สุดแห่งสังคตะธรรมนั่นแหละเรียกว่ า, านิพา น, <Lol. S 2> นเพราะเป็นเดนสลัดออกซึ่งสังคตะธรรม เ, นะเป็นที่สลัดออกจากสังคตะธรรมนะถ้าใครที่เบื่อหน่ายเห็นภัยของสังคตะธรรม <บา S 1> ก็ต้องอาศัย Mc อสังคตะธรรมนั่นแหละเป็นที่สลัดออกจากสังคตะธรรม ซึ่งเป็นที่สุดกิจอันตนเนี่ยทำเสร็จแล้วนะเพาราะพาหันทั้งหลายที่ในเทระคาถาเนี่ยท่านทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วคือ <c oughs> ถ้าเราเรียนเทระคาถาถ้าได้เรียนคําเบื้องต้นที่เป็นนิทานวรณ น, นาเข้าใจโดยตลอดสายนะอ่านเทรคาถาสนุกมากเนีนะเนะพราะเรารู้คุณธรรมของท่านรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังรู้ความเป็นไปเป็นมารู้อะไรของท่านตั้งเยอะแยะไปหมดที่เป็นองค์ประกอบอะนะ แต่แล้วก็อ่านเทสะคถาคําพูดแต่ละคําของท่านนี่จะเป็นค่อยคําที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากาบทว่าปัจเวกขันตาความว่าพิจารณาข้อปฏิบัติเฉพาะอริยผลและนิพพานด้วยวิมุตติยานทัศนว่าอริยผลนี้อันเราบรรลุแล้วหนอด้วยการบรรลุอริยมรรคอาศังคตาตธาตุอันเราบรรลุแล้วดังนี้นั่นก็มีปัจเวกขณะยานพิจารณาอริยผลใช่ไหม แล้วก็พิจารณาอริยมรรคพิจารณานิพานท่านไม่พิจารณากิเลสที่เหลืออยู่เลยเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งกิจสิบอย่างมีปริญญากิจเป็นต้นอันใดที่พระอริยเจ้าควรกระทําชื่อว่าอันท่านกระทําแล้วเพราะอันพระอริยะบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลอันเลิศคืออรหัตผลให้สําเร็จแล้วคือให้เสร็จสิ้นแล้วด้วยสา ม, มารถแห่งการแทงตลอด สัจธรรมพิจารณาอยู่ซึ่งโสรสะกิจนั้นอันท่านทําเสร็จแล้วอย่างนี้คือท่านทํากิจ16จบแล้วนะกิจ16ก็คือประนะารู้กิจ4ี่นะทุกสัตว์ปริญญากิจสมุทายศัตร์ปหานากิจนิโรศสัตจฉิกิริยากิจมัคคสัตภาวนากิจนะเนี่ยนะกิจ4ี่เนี่ยโสดาปฏิมัค ก, ก็ทํากิจสสกทาคามิมัค ก, ก็ทํากิจสี่อย่างนี้ อาาคามีมรรคก็ทํากิจ4อย่างนี้อรหัตมรรคก็ทํากิจสอย่างนี้เรียกว่า4ีคูณสี 4, <4 S 1> ่ 16, <6 S 1> ก็เท่ากับสิบหก็เรียกว่ากิจ16กเนี่ยนะกิจ16นี้จะมีได้ต่อเมื่ออรหัตผลเกิดถ้าอรหัตผลยังไม่เกิดชื่อว่าทํากิจยังไม่เจ็บยังไม่โศกยังไม่จบยังไม่สิน้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทํากิจเสร็จแล้วก็พิจารณาการแทงตลอดอริยสัจอยู่ซึ่งโสรักษากิจนั้นอันท่านทําแล้ว ด้วยบทว่าปัจเจกขันธิตาเนี่ยนะแสดงถึงการพิจารณากิเลสที่ละแล้วพระารหันทั้งผ่ารหันเนี่ยถ้ามีปัจเจกขณะบริบูรณ์เนี่ยจะมีปัจเจกอยู่19ปัจเจกสิก้าคือปัจเจกของพระโสดาบันนี่ห้าพระสกอทาคามีมีปัจเจกหพระ่านาคามีมีปัจเจก5พระ่ารหัน์มีปัจเก 5, จเก4 พระโสดาบันพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่เหลือห้านะนะหนึ่งมรรคสองผลสามนิพานสี่กิเลสที่ละแล้วห้ากิเลสที่เหลือนะโสดาบันนะพิจารณาห้าพระสกทาคามีก็พิจารณาอีกห้าอย่างนี้คือพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่เหลือเป็นห้า พระอนาคามีก็พิจารณาอย่างนี้อีกห้ะพระอรหันต์พิจารณาสี่คือพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานขาดข้อหนึ่งคือกิเลสที่เหลือเพราะพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเหลื อ, อก็เลยเรียกว่าปัจเจเวขณะยาม19อัถถังอัถถังคือเนื้อความเนี่ยนะบอกว่าเนื้อความอันปฏิสังยุตตุด้วยโลกิยะโลกุตระเนื้อความก็คือประโยชน์นะประโยชน์ที่ปฏิสังยุต ด้วยโลกิยะและโลกุตระทั้งทั้งที่น้อมเข้าไปสู่ตนทั้งที่น้อมเข้าไปสู่ผู้อื่นคือคำที่ที่พระอรหันต์กล่าวเนี่ยนะคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะมีประโยชน์ประโยชน์จะได้ทั้งที่เป็นโลกิยะประโยชนท์ที่ได้ทั้งที่เป็นโลกุตระท่านก็น้อมเข้าไปได้แล้วผู้อื่นพิจารณาก็น้อมเข้าไปเป็นประโยชน์ของผู้อื่นได้นะบทว่าอภาสิงสุความบา ท่านกล่าวผูกเป็นคาถานะประกอบความว่าท่านทั้งหลายจงฟังคาถาทั้งหลายอันน้อมเข้าไปในตนของพระเถระเหล่านั้นผู้มีตนอันอบรมแล้วอันข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปนี้ณบัดนี้ท่านท่านนลผู้เป็นธรรมพันธาคาริกแสดงความนี้ไว้ว่าก็พระมหาเถระเหล่านั้นเมื่อกล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่าน้อมเข้าไปโดยส่วนเดียวซึ่งศาสนธรรมคาสอน ด้วยคาถาทั้งหลายอันประกาศความปฏิบัติชอบของตนและชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติชอบคือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติจนถึงได้รับประโยชน์ตนคืออรหัตผลแล้วก็ออยังชักชวนให้ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติเพื่อเข้าถึงประโยชน์นั้นด้วยเพื่อให้คนอื่นทําให้แจ้งธรรมะเหล่านั้นนะการที่จะให้คนอื่นทําให้แจ้งได้ก็ต้องแสดงธรรมเพราะฉะนั้นพระเทระเหล่านี้กล่าวถ้อยคําก็เป็นการแสดงธรรมนะ ทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เป็นคําที่กล่าวปเป็นนิทานกถานิท า, านาแป ล, ลว่าเรื่องราวเนี่ยนะ Hop เรียกว่ารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังรู้ความเป็นไปเป็นมารู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นยังไงรู้อะไรบรรลุอะไรละอะไรเจริญอะไรแทงตลอดอะไรปฏิบัติข้อปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้เป็นพระอรหันตเหล่ า, ลานี้ก็ว่าโดยเป็นเข้าโครงนะนะคาที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยเรียกว่านิท า, า, านกถาวรนนาเนี่ยเป็นโครงสร้างของเถระถาอ่านะมัน อ, อ่านธรรมะเนี่ยจะสิ่งที่อ่านยากที่สุดในในบรรดาอัตถกถาคือนิทานวันานาเนี่ยอ่านยากที่สุดแต่ถ้าอ่านเข้าใจแล้วก็เนื้อหาที่เหลือในนั้นจะไม่ก็ ย, ยากเท่าไหร่นะเพราะว่ า, าะนะเพราจน่าเป็นโครงสร้างเป็นความรู้พื้นฐานเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยนะเป็นเป็นคำวินิจฉัยอ่ะ คือคำขยายเหล่านี้ท่านเอาหลักเนติปรกรณ์มาขยายทั้งหมดเนี่ยนะนพื้นฐานท้าไม่ได้เรียนเนติปรกรณ์มาเนี่ยก็ยากที่อ่านและจะสนุกนนะอ่านแล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะไม่ได้เรียนหาระสิกั น, นยะห้ามา